ธรรมคถาครั้งที่สามตอนสรุปและขยายความข้อว่าด้วยลมหายใจจะแสดงประมวลหัวข้อที่ได้กล่าวแล้วอาณาปานสติแสดงในพระสูตรว่าให้นางขูบันลังคือขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติมั่น มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกต่อจากนี้ก็จะแนะวิธีใช้สติกําหนดต่อไปว่าหนึ่งหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าหายใจออกยาว 2. หายใจเข้าสั้น ก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจออกสั้น3ศึกษาคือสำเนียกหรือกำหนดให้รู้กายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาคือสำเนียกหรือกำหนดให้รู้กายทั้งหมดหายใจออกและ4ศึกษาคือสำเนียก หรือกําหนดระงับกองลมหายใจหายใจเข้าศึกษาคือสําเนียบหรือกําหนดระงับกองลมหายใจหายใจออกท่านชี้ทางปฏิบัติไว้เรียกว่าเป็นสขั้นควรทําความเข้าใจในขั้นทั้งสเหล่านี้ขั้นที่หนึ่งหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็ให้รู้ขั้นที่สองหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็ให้รู้คือเมื่อหายใจอยู่อย่างไรในบัดนี้คือการหายใจนั้นยาวก็ให้รู้หรือว่าสั้นก็ให้รู้การหายใจยาวหรือสั้นนี้ก็หมายถึงการหายใจโดยปกติ การหายใจโดยปกติมักไม่ค่อยจะกำหนดให้รู้แต่ว่าเมื่อคอยกำหนดให้รู้อยู่ก็จะรู้ว่ามียาวมีสั้นในเวลาที่เหนื่อยจะรู้สึกว่ามีอาการหายใจที่เรียกว่าหอบเป็นอาการที่หยาบในเวลาที่จิตไม่สงบการหายใจก็ย่อมจะยาวกว่าในเวลาที่จิตสงบ หรือบางทีอาจจะทําการหายใจเข้าออกให้ยาวได้อย่างเช่นสูตรลมหายใจเข้าให้ยาวและเมื่อออกก็ให้ยาวเป็นการออกกําลังหรือเป็นการฝึกหัดในเวลาที่ไม่เหนื่อยร่างกายสงบเป็นปกติลมหายใจก็ละเอียดเข้าในเวลาที่จิตสงบ ลมหายใจก็ละเอียดยิ่งขึ้นการที่ตั้งสติกำหนดให้รู้ว่าลมหายใจเป็นอย่างไรในเบื้องต้นก็อาจจะไม่ใคร่ได้ผลแต่เมื่อตั้งใจคอยกำหนดอยู่จริงๆจนจิตแน่วแน่ขึ้นก็จะเกิดฉันทะคือความพอใจเกิดปีติคือความอิ่มใจเกิดประโมทคือความบันเทิงใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นอันเริ่มได้รถของความสงบหรือของสมาธิอันจะชักนำให้พอใจในการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นในขั้นที่สท่านสอนให้ศึกษาคือสำเนีบหรือกำหนดกายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกการกำหนดนั้นก็คือการกำหนดกายให้รู้ทั้งรูปกาย ทั้งนามกายในขณะที่ปฏิบัตินี้รูปกายนั่งอยู่อย่างไรวางมือวางเท้าอย่างไรก็ให้รู้นามกายคือจิตใจเป็นอย่างไรสติความกำหนดเป็นอย่างไรก็ให้รู้เมื่อรู้ทั้งรูปกายทั้งนามกายดังนี้ก็ได้ชื่อว่ามีสติรู้ตัวทั้งหมด แต่ก็ยังเป็นรู้ที่กว้างจึงให้รู้แคบเข้ามาอีกให้รู้กายอันหมายถึงกองลมที่หายใจเข้าและออกนั้นลมหายใจนั้นตามที่สังเกตกาหนดอย่างง่ายๆเมื่อหายใจเข้าต้นทางก็คือจมูกกลางทางก็คือหัวใปลายทางก็คือนาพีและเมื่อออก ต้นทางก็คือนาพีกลางทางก็คือหัตถยปลายทางก็คือจมูกนี้คือว่าตามที่ตั้งเกณฑ์จะกำหนดแต่การที่ให้กำหนดรู้นั้นถ้าส่งจิตใจให้เข้าไปตามลมและให้ออกไปตามลมก็ยังเป็นจิตที่ซัดสายไม่ตั้งลงในจุดเดียวฉะนั้น ท่านจึงสอนให้ตั้งจิตไว้ที่จุดเดียวคือจุดต้นทางเมื่อหายใจเข้าหรือว่าปลายทางเมื่อหายใจออกได้แก่ที่ที่ลมกระทบเมื่อเข้าหรือเมื่อออกคือปลายกระพุ้งจมูกหรือว่าริมฝีปากเบื้องบนให้ตั้งจิตไว้ที่จุดนั้นจุดเดียวเรียกว่านิมิต อันหมายถึงที่กำหนดจิตคือให้ใช้ที่ที่ลมกระทบดังกล่าวนั้นเป็นนิมิตคือเป็นจุดสำหรับกำหนดจิตให้จิตกำหนดอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อหายใจเข้าลมหายใจก็จะมากระทบที่ตรงนั้นก็ให้รู้เมื่อหายใจออกลมหายใจก็จะมากระทบที่ตรงนั้นก็ให้รู้ และเมื่อกำหนดจิตให้ตั้งอยู่ที่แห่งเดียวอย่างนี้ก็เป็นอันว่าได้รู้กองลมทั้งหมดหรือว่าได้รู้กายทั้งหมดท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าคนเลื่อยไม้ด้วยเลื่อยในขณะที่เขาเลื่อยไม้ด้วยเลื่อยนั้นเขาก็มองกำหนดดูที่ไม้ตรงที่เลื่อยกำลังเลื่อยอยู่เท่านั้นไม่ได้กำหนดตัวเลื่อยทั้งหมด ที่เลื่อยไปเลื่อยมาเมื่อกําหนดดูอยู่ตรงจุดนั้นก็เป็นอันว่าได้เห็นเลื่อยทั้งหมดนี้ฉันใดเมื่อตั้งสติกําหนดอยู่ที่นิมิตคือที่ริมฝีปากเบื้องบนหรือที่ปลายกระพุ้งจมูกอันเป็นที่ที่ลมกระทบเมื่อเข้าและเมื่อออกอยู่เพียงจุดเดียวหายใจเข้า มากระทบตรงนั้นก็ให้รู้หายใจออกมากระทบตรงนั้นก็ให้รู้เมื่อตั้งสติกำหนดแน่วแน่อยู่ดังนี้ก็เป็นนั้นว่าได้รู้กายทั้งหมดหรือได้รู้กองลมทั้งหมดฉะนั้นนี่เป็นขั้นที่สามขั้นที่สศึกษาคือสำเนียกหรือกาหนด ระงับกองลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่หมายความว่าพยายามกลั้นลมหายใจทำให้ละเอียดเข้าแต่หมายความว่าทำจิตให้สงบตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้นเมื่อจิตสงบยิ่งขึ้นลมหายใจก็จะละเอียดยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงตรงกันข้ามกับปลุกตัว การปลุกตัวให้ตึงตังนั้นเป็นการที่เร่งให้เกิดการเกรง็งไม่ใช่เป็นการทำให้สงบแต่การปฏิบัติสมาธินี้ไม่ประสงค์เช่นนั้นประสงค์ผ่อนให้เกิดความสงบทั้งกายทั้งจิตไปโดยลำดับกายก็สงบจิตก็สงบอันนี้จึงเข้าถึงความประสงค์ของการปฏิบัติ แต่ว่าขั้นที่สี่นี้เนื่องมาจากขั้นที่สมความสำคัญจึงอยู่ในขั้นที่สามตอนนับหรือพุทโธในการปฏิบัติเบื้องต้นถ้าตั้งจิตกำหนดดังที่สอนไว้ในบาลีไปเฉยๆก็อาจจะสำเร็จยากฉะนั้นท่านจึงสอนให้หาเครื่องผูกจิต ช่วยเข้าอีกด้วยคือว่าท่านสอนให้นับในเบื้องต้นสอนให้นับช้าคือเมื่อหายใจเข้าก็นับหนึ่งหายใจออกก็นับหนึ่งหายใจเข้าก็นับสองหายใจออกก็นับสองหายใจเข้าก็นับสาหายใจออกก็นับสามหายใจเข้าก็นับสหายใจออกก็นับสี่ หายใจเข้าก็นับห้าหายใจออกก็นับห้าเมื่อถึงห้าแล้วก็ให้ย้อนมานับหนึ่งไปใหม่เป็นคู่เป็นคู่ดังนั้นคือหนึ่งหนึ่งสองสองหหห เมื่อถึงหแล้วก็ย้อนไปใหม่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็ย้อนไปใหม่หนึ่งหนึ่งเรื่อยไปจนถึงแ8ดปดแล้วก็ย้อนไปใหม่ หนึ่งหนึ่งเรื่อยไปจนถึงเก้าเกแล้วก็ย้อนไปใหม่หนึ่งหนึ่งเรื่อยไปจนถึงสิบสิบเมื่อถึงสิบแล้วก็กลับมาหนึ่งหนึ่งจนถึงห้าห้าใหม่แล้วก็หนึ่งหนึ่งถึงห6หก ใหม่เป็นต้นเมื่อนับช้าจนจิตตั้งมั่นอยู่พอสมควรแล้วท่านก็สอนให้นับเร็วคือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองไปจนถึงห้าแล้วกลับไปนับใหม่จนถึงหกเป็นต้นโดยในนั้นวิธีนับนี้ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะพอใจ ถ้ารู้สึกว่าใช้วิธีนี้จะได้ผลก็ใช้และจะแก้ไขวิธีนับใหม่ตามที่จะเป็นสปายะคือสะดวกแก่ตนก็ได้เช่นนับหนึ่งไปถึงสิทีเดียวแล้วกลับไปหนึ่งถึงใหม่หรือว่าจะไม่ชอบวิธีนับจะใช้วิธีนับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้ การนับก็ดีหรือการใช้บทใดบทหนึ่งเช่นพุโทโธมาช่วยก็ดีก็สำหรับเป็นการฝึกหัดตอนต้นเหมือนอย่างเป็นการหัดเขียนหนังสือต้องตีเส้นบรรทัดเมื่อปฏิบัติจน จ, นจิตใจตั้งมั่นพอสมควรแล้วท่านก็ให้เลิกนับใช้แต่สติกำหนดอยู่เท่านั้นนี้เป็นวิธีปฏิบัติสุดแต่ท่านผู้ปฏิบัติจะพอใจ วิธีที่กล่าวมานี้เป็นฝ่ายสมถะอย่างเดียวคือทำให้จิตสงบตั้งมัน่นตอนย้ำหลักสี่ข้อขอย้ำหลักของการปฏิบัติที่กล่าวเมื่อคราวก่อนนี้ว่าต้องยึดหลักคือต้องมีอาตาปะความเพียรหมายความว่าให้ตั้งสัจจะว่าจะทำจริง กำหนดเวลาไว้ว่าจะทำเท่าไหร่ก็ต้องทำถึงจะอึดอัดรำคาญก็ต้องพยายามรักษาสัจจะไว้ให้มั่นคงไม่ทิ้งสัจจะให้มีสัมปะชานะคือความรู้ตัวคือให้มีรู้อยู่เสมออย่าให้เผลอตัวไปได้ให้มีสติคือกำหนดสติไว้ที่อารมณ์ของสมาธิ ที่กำลังทำอยู่เช่นเมื่อจะกาหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ต้องกาหนดอยู่อย่าปล่อยให้ใจล่องลอยไปจะกลายเป็นใจลอยซึ่งเป็นโทษแต่หากว่าคุมใจให้หยุดอยู่ที่อารมณ์ได้แล้วไม่มีโทษและให้คอยกาจัดความยินดียินร้ายในอารมณ์เมื่อประสบความรู้สึกอะไร ให้เกิดความยินดีขึ้นก็ดีให้เกิดความยินร้ายตกใจไม่ชอบก็ดีก็ให้คิดว่านั่นไม่ใช่ของจริงทั้งนั้นอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายต้องทำใจให้สงบและกาหนดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิเสมอตอนประโยชน์สมาธิ การหัดใจให้สงบดังกล่าวนี้ได้ประโยชน์มากโดยมากมักไปเสียเวลาอยู่ที่ความไม่สงบเช่นว่าจะมุ่งประโยชน์ในการศึกษาจะอ่านหนังสืออ่านหนังสือหน้าหนึ่งเสียเวลาไปเพราะความฟุ้งซ่านของจิตมากแต่หากว่าหัดจิตให้ตั้งมั่นสงบอยู่ดังกล่าวนี้จนเคยแล้วเอาไปใช้เช่น เอาไปอ่านหนังสือก็จะสงบอยู่ที่หนังสือที่อ่านนั้นจะอ่านได้รวดเร็วเข้าใจดีจําได้ดีเพราะฉะนั้นการทําจิตให้ตั้งมั่นสงบจึงเป็นประโยชน์ทั้งในด้านที่เป็นการพักใจให้มีความสุขทั้งในด้านที่ที่จะนําไปใช้ปฏิบัติงานอะไรอะไรให้ได้ผลดี 1. สิงหาคม 2,504